ในในการเรียนรู้ตัวเองศึกษาตัวเองอเพราะว่าตลอเวลาที่เราเราไม่จะเรียนรู้ศึกษาสิ่งภายนอกตัวเองเราก็เลยรู้จักตัวเองน้อยมากเพราะนั้นอะไรเกิดขึ้นเราก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดเราก็เกิดความคิดเกิดความคำนึงคำนวณนะมากมาย วิธคิดเท่าไร่เท่าไหร่สิ่งที่เราพยายามทาความเข้าใจก็เข้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรามีความทุกข์ไม่สามารถหาคําตอบสิ่งที่เราสัมผัสได้แม้กระทั่งลูกเราเองที่เกิดมาเราก็ยังเข้าใจกันไม่ได้สามีภรรยาที่เราอยู่กันทุกวันก็เข้าใจกันไม่ได้ลูก พ่อแม่ที่เกิดกันจากตัวเองแท้ๆก็ยังเข้าใจกันไม่ได้เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเราจะเข้าใจอะไรที่ชัดเจนไม่ได้นั่นเป็นสาเหตุของทุกข์อันหนึ่เพราะเราทุกข์จากการที่ไม่เข้าใจอะไรไม่ถูกเราคิดพอคิดแล้วก็ทําให้เป็นทุกข์ทุกข์แล้วก็หาทางออกบางคนก็หาทางออกทาง ต่างๆกันทั้ ง, ง, ง, งดีบ้างทั้งถูกบ้างทั้งผิดบ้างก็คนไหนออกทางถูกก็ทุกข์ก็ลดลงคนไหนออกทางผิดทุกข์ก็เพิ่มขึ้นในโลกนี้คนที่จะหาออกถากทุกข์ในทางที่ถูกมีเท่าไหร่หาอยากทุกข์ในทางที่ผิดมีเท่าไหร่เราประมาณไม่ได้เลยดังนั้นการที่เรามาศึกษามาปฏิบัติวิปัสสนานี่ถ้าเรามาศึกษาแล้ว เข้าใจตัวเองถูกต้องได้ก็ถือว่าเราหาทางออกให้กับตัวเองในทางที่ถูกแล้วรปรับความเห็นให้ถูกต้องให้ตรงเมื่อเราเข้าใจเห็นถูกต้องตรงเราก็หาคาตอบนะคำตอบชีวิตจากตัวเองได้มาหาคำตอบในชีวิตของตัวเองได้ ต้อกอกจากชื่อคนอื่นก็หาได้ไม่ยากเพราะมันโครงสร้างท่าสี่ขันห้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็มีอะไรที่ไม่แตกต่างกันมากนักเราะนั้นเองวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งในตัวเองนะเห็นแจ้งในตัวเองก่อนแล้วไม่สงสัยเช่นเราเห็นแจ้งว่ากายกับใจเหล่านี้มันเป็นอ ธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดจากรูปกับนามเกิดจากกายกับใจหรือเกิดจากสสารพลังงานเกิดจากกลุ่มก้อนของสสารพลังงานถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะรักษากายใจนี้เอาไว้ใช้ในทางที่อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตนี้โดยที่ไม่มีความทุกข์ แต่ถ้าเราเขาไม่เข้าใจแบบนี้เราก็าจะรู้สึกรักตัวกลัวตายมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเราก็าจะทุกข์ขึ้นเรื่อยเรื่อยเพราะอะไรเราเราคิดว่ากายใจนี่เป็นของเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นของธรรมชาติที่แปรปวนเปลี่ยนแปลงแตกดับนะเราคิดว่ามันจะต้องอยู่อย่างนี้นจะเป็นอย่างนี้ตลอดพอมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นปั๊บ เราก็สงสัยว่าทำไมทำไมสร้างความสงสัยขึ้นมาทำไมเขาจึงร่ายอย่างนั้นทำไมเขาจึงเราจรึงป่วยทำไมเราจรึงเจ็บทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันมีคำถามเกิดขึ้นมากมายในใจเราเพราะเราไม่สามารถจะหาคำตอบได้ในกายในใจ <c oughs> เราได้คำตอบผิดมาตั้งแต่แรก ว่าเราสําคัญกายว่าใจนี่เป็นของเราแต่ความจริงมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนและแตกดับธรรมชาติที่เปลีแตกดับตลอดเวลาดัง น, นั้นเราจรึงพยายามศึกษ า, าตนเองเพื่อให้เข้าใจในตนเองก่อนเมื่อเราเข้าใจในตัวเองได้สิ่งแรกที่เราคือคือเรายอมรับความจริงของตนเองเร่ยอมรับความเก็บ ความแก่ความเจ็บและความตายยอมรับก่บการพัดพาดสูญเสียยอมรับตัอความาเรียกว่าไม่ได้อย่างใจเราก็ยอมรับมันแล้วยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราโดยที่เรารู้ตัวเราไม่ได้ตัวก็ตามเช่นจู่ๆคนมาว่าเรามาดา่าเรามาติมนินินทาเราเนี่ย เราก็รู้พราะเรารู้แล้วเราเข้าใจว่าอ๋ออันนี้เขากําลังว่าธรรมชาติอันหนึ่งต่อธรรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่ว่าเรามันไม่มีเราให้ว่ามีแต่รูป ก, กับนามกายกับใจมีแต่ความเปลี่ยนแปลงแปรปรนแตกดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อประสบกับการสูญเสีย เมื่อก่อนเราทํำใจไม่ได้สูญเสียสุทรัพย์สมบัติสูญเสียลูกสูญเสียสามีภรรยาสูญเสียพ่อแม่เรายอมรับไม่ได้แต่หลังจากเรามาปฏิบัติวิปัสสนาแล้วนี่เราจะสูญเสียอะไรเราก็ยอมรับได้สบายเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราแม้แต่ร่างกายก็ยังไม่ใช่ของเราแลทรัพย์สมบัติลูกผัวตัวเมียพ่อแม่ก็ไม่ก็ไม่แค่ของเราด้วยเมื่อเกิดการสูญเสียขึ้นมา ระดับใรหนึ่งเราก็ไม่วิบากไม่วิตกเดือดร้อนเพราะเร า, เ, เ, ราเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันไม่ใช่ของเรามีปาสนาจะสอนเราอย่างนี้เรามีเงินวันหนึ่งมันอยู่ไม่มันไม่อยู่กับเรามีเงินเป็นล้านวันหนึ่งมันก็หายไปเราก็ไม่ทุกข์เราก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะต้องหายไปเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อน แต่ถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้เอย่าว่าแต่ล้านหนึ่งหายสักร้อยหนึ่งเราก็ยังเดือดร้อนละเพราะเราคิดว่ามันเป็นของเรานั้นเองเราก็เลยเป็นทุกเพราะเราไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงได้ว่าส จ, จะทำนะะฉนั้นเมื่อวานหนวงอให้ไปดูอะไรจําข้อสอบมันได้ไมข้อสอบว่าอย่างไรว่าต้นเหตุและเหตุต้นของอ่านะ ความง่วงก็ดีความเบื่อน่ายนรืความฟุ้งซ่านก็ดีอ่ะมันมีต้นเหตุและเหตุต้นมาจากอะไรนะหลวงพ่อก็ได้บอกว่าต้นเหตุมาจากความเผลอความเพลินมันถึงจะได้เกิดเป็นอีวรถ้าเผลอแล้วเพลินในสุขเวทนามันก็ออกมาเป็นแต่เผลอและเพลินในทุกเวทนาก็ออกมาเป็นความฟุ้งมีต้นเหตุคือเผลอหรือเพลิน เด็เหตุต้นของเผอของเพลินคืออะไรของสุขเวทนาของทุกเวทนาก็คือความสบายกายและความไม่สบายกายที่เราไม่ได้ตามรู้ที่เราไม่มีไม่ได้ตามรู้ไม่ได้ตามกําหนดไม่ได้ตามวิเคราะห์วิจัยไม่ได้ตามศึกษาความสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายแต่เราไปสําคัญมั่นหมายว่าความสุขนี่เป็นของเรา แต่ ท, ที่เราจะไปดูว่าความสุขนี่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์แต่เรากลับไปยึดมันเสียเราจรึงไม่รู้เท่าทันเมื่อเราไปสําคัญมั่นหมายเป็นของเราเราก็ถึงไปเสพและไปเพลินนั่นคือต้นเหตุต้นของตัวสุขเพธนาและสุเพยนาก็เป็นต้นเหตุของตัวพอใจและพอใจก็เป็นต้นเหตุของความ ติดสบายชอบใจเสพง่วงเสพสบายเป็นง่วงเพราะความสบายนั้นพอมันหมดอายุมันด้วยกายเป็นง่วงกายเป็นง่วงเหงามันหมดละนี่ความไม่สบายกายถ้าเราไม่ตามรู้ความไม่สบายเช่นนั่งนานเป็นทุกข์ยุงกัดเป็นทุกข์เดินดอนอ่อนแข็งเลึอดเต่งตึงตร่า ง, ง, ง, งกายเป็นทุกข์เราก็ไปพยายามที่จะไปผลักไปดันไป กดไปข่มมันมันก็เลยออกมาในรูปของการเก็บเก็บเก็บเก็บในที่สุดพอเพลอมันก็ฟุ้งออกมาคิดออกมาไหลออกมาดังนั้นความไม่สบายกายที่เราไม่ได้ตามรู้จึงเป็นเหตุให้เกิดแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ตามรู้ทั้งสุขและทั้งทุกข์รู้สึกสบายก็ไม่ได้ตามรู้ศึกษารู้สึกไม่สบายก็ไม่ได้ตามรู้ศึกษาเราก็จะรับผลออกมาเป็นตัว ลังเลสงสัยนี่ออกมาเป็นลังเลสงสัยเพราะมันไม่แน่ไม่ไม่เข้าใจว่าไอ้ทําไมเราสุขแล้วทําไมเราจรึงทุกข์เฮ้าทุกข์เลยทําไมเราจรึงสุขไอ้ทำไมสุขแล้วมันจึงหมดไปเราจะได้สุขมาอย่างไรแล้วก็สงสัยนี่เพราะฉะนั้นตัวความไม่มีตัว ศึกษาและตามรู้ความสุขทุกสบายสบายและความทั้งสุขทั้งทุกที่เราไม่ได้ตามรู้กลับมาเป็นโมหะมีความสงสัยสราคะโทสะโมหะความยึดติดกับความสบายเป็นราคะความไม่ได้ตามรู้ความทุกเป็นโทสะความไม่ได้ตามรู้อทุทกขมสุขเป็นโมหะที่เพราะฉะนั้น เรื่องการตามรู้การรู้เท่าทันการสำรวจรู้การรู้เท่ารู้ทันจึงเป็นกุญแจสําคัญนะเป็นกุญแจสําคัญว่ารู้เท่าทันเช่นเรารู้เท่าทันคนที่จะมาหลอกเรามาต้มเราม า, าโกหกเราหรือมาเอาเปรียบเราถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะไม่สูญเสียทรัพย์สิน แต่ถ้ารู้ไม่เท่าทันเราก็จะสูญเสียทรัพย์สินเพราะฉะนั้นคนอื่นมาหลอกมาต้มมาตุนเนี่ยเราคงมีโอกาสที่จะรู้เท่าทันหลอกครั้งสองครั้งเราก็รู้เท่าทันไอคนเดิมม า, มาหลอกเราอีกไม่ได้แล้วแต่เราเองนี่ที่ไม่รู้เท่าทันใจของเราเนี่ยใจเราหลอกเราทุกวันแต่เราก็ไม่เคยรู้เท่าทันมันมันก็หลอกเราอย่างซ้ำซากสมัยเราเป็นเด็กมันก็หลอกเราว่า ของเล่นนี่สวย อ, อาหารนี่อร่อยแล้วก็เราก็ถูกหลอกให้กินให้เล่นกับของเล่นต่างๆนานาพอโตอีกหน่อยหนึ่งเราก็ถูกหลอกให้ไปเรียนหนังสือเธอขยันเรียนหนังสือต่อไปเธอมีความรู้จะได้งานทำํำจะได้เงินดีเราก็เรียนกันจนจบด้วยกันแต่พอได้เงินรางงานได้ง เ, งเงินดีแทนที่เราจะหายสงสัย แล้วก็สงสัยต่อไปว่ามันมีอะไรอีกอได้เรียนดีแล้วก็ได้เงินดีสงสัยว่าถ้าได้มีเงินเยอะๆคงจะสบายที่เดีที่เราก็เลยว่าเราควัวจะไม่ได้ความสุขสบายเราก็จะต้องทนเรียนหนังสือทนศึกษา คนหางานทําเมื่อหางานทําแล้วเราก็ถูกหลอกต่อไปอีกว่าเออถ้ามีเงินเยอะๆเราจะมีความสุขเราก็มุ่งหาเงินกันอย่างเต็มที่เหมือนกันหาจะมีเงินมีทองมีบ้านมีช่องมีที่มีทางถามว่ามีความสุขหรือยังก็ยังอีกแล้วก็ถูกต่อไปอีกหลอกต่อไปอีกว่าเออชาตินี้บุญมันน้อยทําบุญไว้เยอะๆชาตินี้ถ้าติที่แล้วเธอไม่ได้ทำบุญมาชาตินี้ทำบุญเยอะเธอจะได้เป มีความสุขในชั้นหน้าต่อไปได้หาไม่เจอเลยความสุขชั้นนี้ถูกหลอกต่อไปเรื่อยๆหาไม่เจอถูกหลอกต่อไปพระก็หลอกต่ออีกชั้นนี่น่าเจ็บใจนะดูนั้นเองเนี่ยเราจึงมาวิปัสสนาเพื่อเราจะไม่ไถูกหลอกต่อไปการที่เราไม่ถูกหลอกก็หมายความว่าต้องรู้เท่าทันนะ ถ้าไม่รู้เท่าทันตัวเองแล้วเราจะถูกหลอกไปถูกพวกผู้ชาติเรียนว่าแต่เกิดมากี่ชาติก็ถูกหลอกทําร้ายกว่านั้นเราก็หลอกตัวเองให้กินเหล้าให้สูบบุหรี่ให้เล่นการเพราะนั้น อ, อย่าคนอื่นอย่าไปโทษเราคนอื่นมาหลอกเราไปเล่นคนอื่นมาหลอกเราไปกินนั่นไม่ถูกนะถ้าเราไม่หลอกเราใช่ย่างค น, คนอื่นมาหลอกเราไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่ที่คนอื่นมาหลอกเราได้เพราะเราหลอกตัวเอง <ico le> ไม่รู้เท่าทันตัวเอง เพราะนั้นคนโง่ทั้งหลายจึงเป็นทุกข์การหลอกตัวเองลอมไป <c oughs> แต่คนฉลาดทั้งหลายก็เริ่มเรียนรู้เริ่มรู้ตัวมากขึ้นแล้วก็เริ่มเข้ามาเรียนรู้ให้ตนเองฉลาดมนฉลาดขึ้นในที่สุดแม้แต่กิเลสก็มาหลอกเราไม่ได้อะไรที่นี้เมื่อกิเลสหลอกเราไม่ได้เราจะเป็นรู้พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ฉลาดที่สุดในโลก แล้วใครทำตามพุทธเจ้ า, าคนนั้นพอยฉลาดเลเขาว่าฉลาดนี่ไม่ได้มาาว่ฉลาดนี่ไปเอารัดเอาเบี้ยวคนอื่นหรือฉลาดจะได้เงินได้ทองของมันแต่ฉลาดที่จะเอาทุกออกจากตัวเองเท่านั้นเองเพราะรู้เท่าทันว่าทุกมาจากอะไรทุกมาจากว่าเราไม่เห็นตัวเองเราเลยก็ต้องถูกกิเลมันหลอกเอาหรือเราหลอกตัวเองนั่นเอง น, น, นั้นเองเราจะรู้ฝึกฝนเรื่องรรู้เท่าทันได้อย่างไรนี่คือที่เราทำกันบอกว่าอย่างเดียวที่รู้เท่าทันการรู้เท่าทันเป็นเรื่องของสติหรือเป็นเรื่องของปัญญาการรู้เท่าทันเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาการรู้เท่าทันกายเป็นเรื่องของสติหากเรารู้เท่าทันใจเป็นเรื่องของเพราะนั้นเราควรจะรู้เท่าทันกายหรือเท่าทันใจรู้ทั้งกายทั้งใจ รู้เท่าทันกายอย่างเดียวพอไหมไม่พอแก้ไขปัญหาได้บ้างเรียกว่าสมถะรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตแก้ไขปัญหาได้ทั้งกายทั้งใจเรียกว่าวิปัสนานะคนที่รู้เท่าทันกายก็แก้ปัญหากายอะไรเรื่องปัญหาเรื่องจิตไม่ได้ยังไปติดฉุกติดสมุปติดปี ต, ต, ต, ต, ติติดลทธิ์เดชปฏิหารติดเครื่องรังของของังนั่นแสดงว่ารู้ไม่ทันจิตยังติดแค่วรูปอยู่พราะั้ ศาสนาทั้งหลายก็ถูกหลอกด้วยสิ่งเหล่านั้นเฉพาะปฏิบัติสมถะแต่พวกที่ปฏิบัติชนะนี่จะไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องเครื่องคลังศักดิ์สิทธิ์ไม่เกี่ยวข้องด้วยพิธีรีดองไม่เกี่ยวข้องด้วยรูปเหรียญกายนอกใจตัวเองเยบูเทวดาอินพรมแต่เกี่ยวข้องสิ่งที่ดีที่ชั่วในตัวเองเกี่ยวข้องสิ่งที่ถูกที่ผิดในตัวเองเกี่ยวข้องในสิ่งที่ สุดบริสุทธิโสปลกในตัวเองเกี่ยวข้องในสุขในทุกในตัวเองเท่านั้นที่ปริศนาถ้าเรามาเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ในตัวเองแล้วรู้เท่าทันแล้วจนกระทั่งว่าใจของเราเนี่ยไปสร้างเรื่องไม่ได้มันก็จบละหมายความว่ารู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างเช่ว่ารู้ผู้รู้แจ้งโลกรู้เท่าทันรู้แจงโลก เพราะนั้นเราก็จะไม่ทุกข์ต่อไปแล้วจะยู้ยังไงจะกินยังไงจะนอนอยังไงไก็สบายหายสงสัยนะเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังอ่าเราถูกหอกอยู่เราก็ยังสงสัยแต่เมื่อไหร่เราหายสงสัยแล้วก็หลอกไม่ได้เพราะเราไม่สงสัยนั่นเราจึงการที่รู้เท่าทันใจก็ต้องมาสร้างสติให้รู้เท่าทันกายแก้ปัญหาของกายให้หมด ของความสงสัยกันเพราะนั้นเวลากายเจ็บกายป่วยกายตายเราก็จึงไม่ไม่กลัวเพราะเราไม่สงสัยแต่ถ้ายังกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายอยู่แสดงว่าเราเรียนสมถะจบเรื่องยังไม่จบเพราะเรากลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายยังเป็นสมถะอยู่แต่เมื่อไหร่เราไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเพราะรู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถึงกลัวไปก็ไปไงหนีไม่พ้นแล้วจะไปกลัวทําไมเนี่ย อันนี้กลัวแล้วถ้าเป็นโครคไคยไข้เจ็บแน้่ก็วิ่งหานั่นหานี่เดือดร้อนวิตกกังวล น, น, นั่นเองก็จึงอยากจะให้ศึกษาให้ถูกต้องเอาละทีนี้เรารู้ว่าต้นเหตุเหตุห ต, ต้นของอความวง่วงเกิดมาจากกามาชันทะต้นเหตุของความมุฟุ้งซ่านมันเกิดมาจากพยาปาทะ ความไม่สบายใจคึงฟุง้งนะอย่าลืมว่านิวร์สี่ตัวเนี่ยสองตัวแรกคือกามฉันทะกับถีนิมิทะคือความง่วงเกิดมาจากความพอใจที่ไม่ได้ถูกตามรู้สองตัวคือพยาปาทะและกุทัจษจะอุทักความฟุ้งซ่านความบืดอัดขัดเครื่องแล้วฟุ้งซ่าน มีต้นเหตุเหตุต้นมาจากการไม่รู้เท่าทันความทุกข์คือความไม่สบายกายแล้วการไม่รู้เท่าทันทั้งความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นสาเหตุให้เกิดตัววิจิกิจาคือลังเลสงสัยไม่แน่ใจเรียกว่าโมหะเพราะนั้นการที่เราไม่ตามรู้ความสบายกายพอให้เกิดตัว ติตใจตัวพอใจกคอยเกิดคามวิจันทะและกคอ้เกิดเป็นราคะในที่สุดตัวไม่สบายกายหรือตัวทุกข์กายที่เราไม่ได้ตามรู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้วิเคราะห์เป็นสาเหตุให้เกิดความอึดอัดขัดเคืองเกิดปฏิฆะหมุนบิดและเกิดความอ่าโมโหขุนเคืองแล้วก็ฟุ้งซ่านในที่สุดเป็นสาเหตุให้เกิ ด, กดโทสะ ความที่เราไม่มีสติตามรู้ความทั้งพอใจนะไม่พอใจก็ดีทั้งสบายก็ไม่สบายก็ดีก็ก่อให้เกิดตัวโมหะนะเพราะนั้นราคะโทสะโมหะก็มาจากความพอใจไม่พอใจและความไม่ได้ตามรู้ทั้งสองอย่างเกิทุกข์มาสุขกัะนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มา สร้างตัวรู้เท่าทันด้วยตัวตามรู้อย่างเดียวก็พอนะเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติเรามารู้ตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วเรามาสร้างตัวรู้เท่าทันคือสร้างสติสร้างปัญญาสร้างสติสร้างสมาธิและปัญญาให้เป็นผู้รู้เท่าทันในกายในใจแล้วแก้ปัญหาเป็นแล้วก็จะไม่เกิดข้อสงสัยเพราะรู้เท่าทัน แค่นี้จบเลยละนะแต่ที่นี่เราจะรู้เท่าทันให้ไวที่สุดได้ไงบางทีรู้เท่าทันช้าไปตอนเขามาหลอกไม่ทันรู้ตัวถูกหลอกไปแล้วของเสียแล้วถึงรู้ว่าอ๋อมันหลอกเรามารู้เท่าทันทําหลังนี่ไม่มีประโยชน์แล้วนะไม่ทันโอ้รู้อย่างนี้กูไม่ให้ดีกว่าเนะนี่ยอรู้เนี่ยงี้ไปให้ก็มันรู้แล้วเช้าไปอะ่ะ โอ้รู ye, you know here here ้อย่างนี้กูไม่มาดีกว่ามันมาใช่แล้วเพราะมันรู้เช้าไปอย่างนี้ก็รู้เท่าทันเช้าไปก็ไม่ทันการเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวไงให้รู้เท่าทันให้รู้เท่ารู้เท่าเนี่ยเอาให้ทันแต่รู้เท่าเอาไม่ทันเนี่ยจะใช้ไม่ได้รู้เท่าเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้ถ้ารู้แน่ๆก็รู้ทั้งแก่ทั้งกันเป็นว่าคือรู้เท่านี่ยเป็นสติรู้ทันคือเป็นปัญญารู้ทั้งเท่าและรู้ทั้งทันก็เป็นทั้งสติและปัญญา ทีนี้เราจะทำไงให้เดี๋ดูเท่าทั่นก็คือมาฝึกฝึกกับอะไรฝึกกับสิ่งที่มันเกิดตลอดเวลามีอะไรความรู้สึกในตัวเรามีเกิดขึ้นกี่อย่างทางกายเราเรียกว่าความสบายไม่สบายแล้วก็ความไม่แน่ใจนะความกึงกก่งถูกกึ่งสุขกึงทุกถ้าเกิดทางใจเราเรียกว่าอะไรพอใจไม่พอใจแล้วก็ ไม่แน่ใจหรือเฉยๆเนี่ยมันก็เราก็กาหนดอยู่แค่เนี่ยหกตัวกายสามตัวใจสามตัวทั้งหกตัวเนี่ยเราก็รู้เท่าทันทางกายมันก็จะไม่ไหลไปสู่จิตถ้ารู้ไม่เท่าทันทางกายก็ไหลไปสู่จิตเพราะนั้นภาวะที่มัน กำลังไหลไปสู่จิตเนี่ยถ้ารู้เท่าทันได้เขาเรียกว่าตัวตัวปัญญาเป็นตัวกั้นกลางเป็นตัวสีกลางระหว่างความพอใจและไม่ความพอใจความสบายและความพอใจระหว่างความไม่สบายและความไม่พอใจระหว่างความไม่ชัดเจนมาเป็นความเฉยเฉยเนี่ย อยู่ระหว่างต่างตรงนี้มันก็จะมีอยู่แค่นี้ในความรู้สึกทั้งหมดแต่ว่ามันขยายออกมาเป็นแปดหมื่นสี่พันพธรรมขันธ์ก็เพราะการขยายตามความปริยัติของของตนเองนะขยายไปตามนั้นอย่างพัฒนาไปเรื่อยๆ อ, อย่างที่ได้กล่าวว่าตัวสุข คือความสบายใจสบายสบายกายก็ดีตัวทุกข์ก็ความไม่สบายกายก็ดีนี่ได้พูดถึงรากถึงรูปมันแล้วหลายครั้งแต่ว่าตัวกึง่งอ่ะแต่ว่าสบายก็ไม่ใช่จะว่าไม่สบายก็ไม่เชิงอย่างเรานั่งเนี่ยพอนั่งไปันธรรมท่าไม่มสบายแล้วก็เปลี่ยนขยับนิดหนึ่งก็าหายไปพอทนได้พออยู่อีกสักพักหนึ่งนั่งสั่งหนักขยับปรับเปลี่ยนก็าหายพอได้พักหนึ่ง เราเราก็ปรับสามระดับเนี่ยปรับความสบายปรับความไม่สบายให้เป็นสบายแล้วก็ปรับความสบายที่มันเพลินออกให้มันเป็นกลางปรับปรับไปปรับมาอยู่นี้นี่เราปฏิบัติอยู่แล้วตลอดเวลาแต่ว่าการเคลื่อนไหวการปรับตัวโดยธรรมชาติมีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่ว่าถามว่าเราเข้าไปรู้เท่าทันมันมั้งไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ย ยังไม่ยังไม่รู้เพิ่งมาศึกษาปีสองปีนี่แหละถ้าว่าเรารู้มาตั้งแต่เนิ่นเราก็ไม่มาเสียเวลานั่งปฏิบัตินขนาด น, นี้แล้วเพราะเราไม่รู้แล้วก็ดีกว่าคนอีกหลายแสนหลายล้านคนที่ยังไม่ต้องการจะรู้นะคนเหล่านี้ก็ต้องทุกข์ต่อไปแต่มันทุกข์ต่างๆกันนะทีนี้ถ้าเรารู้เรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยถามว่าเราจะทุกข์อีกมั้ยถ้ารู้น้อยก็ยังทุกข์อยู่ ถ้ารู้มากขึ้นรู้ขึ้นมันก็อย่ารู้มันก็อย่าทุกตามอาตายส่วนที่มันขึ้นลงของตัวรู้ถ้าตัวรู้เพิ่มขึ้นสิบตัวไม่รู้ก็เหลืออยู่สมมติร้อยหนึ่งนะก็เหลือเก้าสิบถ้าตัวรู้มันเพิ่มขึ้นยี่สิบตัวไม่รู้ก็เหลือแปดสิบรลบกันไปเรื่อยๆจกนกระทั่งวันหนึ่งตัวรู้เพิ่มขึ้นเก้าสิบตัวไม่รู้ก็เหลือสิบ ตัวรู้เริ่มขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซนตัวไม่รู้ก็ไม่เหลืออยู่เลยที่เราก็ทำทาให้จิตใจของเราเต็มไปได้วยความรู้เท่าทันร้อยเปอร์เซนนะทุกวันนี้เราเราก็รู้ตัวเองว่าเราทุกขนาดนี้ความไม่รู้หรือความไม่รู้เท่าทันของเรามันน่าจะขาดไปเท่านี้เปอร์เซนต์แล้วแต่เราความทุกข์ของเราทุกกายทุกใจแล้วว่าะไรว่าอายุที่มันอยู่จะ ยาวนานแค่ไหนถ้าหากมันอยู่ได้สั้นๆก็ แ, แสดงว่าความรู้เนื้อรู้ตัวของเราความรู้เท่าทันของเรามีเปอร์เซ็นต์สูงแล้วเพราะไอ้ตัวไม่รู้มันอยู่ไม่ค่อยได้มันหายไปแต่ว่าตัวรู้มันน้อยตัวไม่รู้มันเยอะเราก็ยังมีพื้นที่ให้กับความคิดมากกว่าพื้นที่กว่าความรู้เมื่อพื้นที่ในการ ให้ความรู้เท่าทันน้อยความทุกข์ก็ยังมีมากอยู่นะมันก็จะปรับกันอยู่อย่างนี้ยนั้นวันหนึ่งที่เราปฏิบัตินแล้วก็ปรับเพราะว่ามันทําท่าจะไอตัวไม่รู้เนี่ยมันทำํำท่าจะขยายวงอยู่เลยแล้วก็ยังจํากัดเนื้อที่ขอบเขตให้มันเผื่อไม่ได้ขยายตัวเผื่อไม่ได้ขยายตัวยึดพื้นที่เรารู้ตัวปับ๊บเอาคืื้อออกเอาเผื่อปับ๊บเอายึดคืนอีก อยู่อย่า ง, ง, นะงนั้นนะวันวันหนึ่งนี่ที่เราทําเนี่ยดังนั้นเองก็เป็นาการสู้รบกับมารตลอดเวลาถ้าหากว่าเป็นเรื่องอะไรที่ละเอียดอ่อนนะถ้าเราเข้าใจได้ดังนั้นอันนี้คือเคลียร์บทเรียนที่เราได้ให้การบ้านเอาไว้เมื่อเช้านี้นะทีนี้วันพรุ่งนี้ ก็ไม่ต้องคึนศาลาช่องเช้าปฏิบัติอยู่ที่ตัวอที่อยู่ของตัวเองหอมกับบทเรียนต่อไปนี้กันบ้านต่อไปนี้นะตั้งใจฟังให้ดี l i s t e n carefully l i s t e n wisely ตั้งใจฟังอย่างแยบขายว่า ตัวเมื่อนิวรณ์ทุกตัวสงบแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นตามมานิวรณ์คือความ ง, ง่วงเหงาความเบื่อหน่ายความขี้เกียจความฟุ้งซ่านความรังเลสงสัยถ้าหากว่าทั้งหมดเนี่ยมันสงบแล้วเนี่ยอะไรจะตามมาอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากสิ่งเหล่านี้สงบเช่น กามฉาันทะคือความใคร่อยากความติดสบายถ้ามันถ้ามันสงบเนี่ยถ้ามันหมดหรือถ้ามันไม่มีไม่ใช่ไม่มีอย่างถาวรนะหมายความไม่มีในช่วงนั้นๆน่นะในขณะนี้ความเบือ่อความขี้เกียจความรักสบายของเราไม่มีนะอาการมันเป็นอย่างไรไอ้ความไม่มีความสบายนะอันที่สอง ความหงุหงิดมุ่นวานความโมโหความขุ่นเครืองความอึด อ, อ, อัดถ้ามันไม่มีเนี่ยจิตเราจะเป็นอย่างไรเราต้องการจิตแบบนั้นไหมอันที่สาม <c oughs> ควา ม, มง่วงเหาห้องนอนที่เรากลัวมันนักหนานี่มันเกิดบ่อยๆถ้าเกิ ด, ดว่าพรุ่งนี้ถ้าจิตมันไม่มีความง่วงเนี่ยสภาพจิตมันจะเป็นอย่างไร แต่อันที่สี่ความฟุ้งซ่านฟุ้งฝันคิดนั้นคิดนี้ถ้าภาวะนี้มันไม่มีมันสงบเนี่ยจิตเราจะเป็นอย่างไรอันที่ห้าความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจความอาพะวงสงสัยถ้ามันไม่มีจิตเราจะเป็นอย่างไรให้ประหารจิตที่ไม่มี อารมณ์ทั้งห้าอย่างเนี่ยว่าถ้ามันไม่มีจริงๆเี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนกับว่าในห้องใหญ่แห่งหนึ่งมันมีตู้อยู่ห้าใบวางในห้องนี้เต็มไปหมดเราก็ค่อยดึงเอาตู้ใหญ่ๆในห้องนี้ออกทีละตู้ละตู้ละตู้วันหนึ่ง ดึงตู้เหล่านี้ออกมาหมดแล้วเนี่ยสภาพในห้องนี้จะเป็นอย่างไรเป็นรูปธรรมนึกออกใช่ไหมมันก็จะว่างแล้วจิตของเราเนี่ยถ้าดึงเอานิวนทังห้าออกมันจะว่างได้ไหมพูุนี้มาพิสูจน์กันใครว่าจะว่างแบบไหนว่าถ้าเกิดว่าไปดูแล้วมันไม่ว่างเลยแสดงว่าเราดึงตู้ออกไปไหม ไม่ไหวหนักมากก็ต้องมาบอกว่าตัวไหนมันดึงไม่ออกตัวไหนมันดึงออกได้ดึงออกได้กี่ใบห้าใบาเนี่ยออกใบไหนมั่งลองลองไปดึงกันดูนะแต่บังเอิญเอ้วันนี้มาถามยมคนหนึ่ง ย, ย, ย, ยมเล็กถามนิวรอนตัวไหนก็ไม่มีเพราะนั้นสอบยมเล็กก่อนก็แล้วกันเพราะว่าบอกว่านิวรอนไม่มีเลยวันนี้สภาวะที่ไม่มีนิวรอนทั้งห้าตัวดังกล่าวแล้ว ครั้งหนึ่งเอามาเคยไปสอบเข้าเรียนอยู่ที่ u n l v มหลาลัยที่เอาอยู่ u n l v มหลาลัย拉สเวกัสวิธีออกข้อสอบเขายางังไงรู้ไหมเขาเอาส่งภาพให้ใบหนึ่งภาพนี่เป็นภาพที่ <c oughs> ชเฟอร์ขับรถสิบล้อออกจากซอยแล้วปรากฏว่ดเด็กคนหนึ่งวิ่งตัดหน้าทีนี้ แม่ของเด็กคนนี้ก็ร้องออกมาลักษณะตกตะลึงโชเฟอร์รถก็โผล่หน้าออกมาจากห้าทางรถเอาภาพนี้ให้เราบอกว่าคุณลองบรรยายภาพนี้ให้เป็นรูปธรรมตามความเข้าใจของคุณที่ว่าเป็นยังี้นี่คือค้อสอบมหาหลัยฮะตอนนั้นสอบเข้ายูเอนวี ปัาเป็นภาษสอังกฤได้วยนะไม่ใช่ปัญยาภาษาไทยนั่งโอ้เขาก็วาดตามมันออกมาปรากฏ ว, ว่าเป็นไงผ่านไหมไม่ผ่าน <c oughs> เพราะอธิบายไม่เห็นภาพพจน์อธิบายไม่เห็นภาพพจน์เราก็ไปสอบใหม่อันนี้เกือกันเราจะพูดถึง ทางรูป่ประธรรมเนี่ยเขาจะเอาภาพเหตุการณ์มาให้เราดูอย่างเงี้ย oh. คูณจะอธิบายว่าไงก็ oh. ซูเฟอร์ขับรถออกจากซอยมา <S <S เด็กวิ่งตัดหน้าเพราะเด็กมาเล่นในซอยใช่ไหมวิ่งตัดหน้าอันนี้ก็เหยียบรถอันนี้ก็แม่มก็ตกใจได้ยินเสียงแต่รถลั่นออกมาเด็กก็ร้องไห้จ้าอะไรอย่างเงี้ยนนะเภาว่าที่ตึกตะลึงของคนขับตกตะลึงของแม่เด็กร้องอาการร้องจ้าของเด็กเนี่ย เราจะอธิบายภาพนี้มันเภา พ, พั่ Action, เกิดคนดูเกิดอารมณ์มากเลยแต่ที่เราจะอธิบายให้มันได้อารมณ์อย่างที่ทคนในภาพนั้นมีอาการไหมเนี่ยเหมือนกันการที่เราจะอธิบายรูปธรรมทำแต่อธิบายเรื่องนามธรรมาเนี่ยให้เกิดเห็นภาพเนี่ยจะอธิบายอย่างไรไม่ใช่ง่ายเลยนะแต่ว่าสำหรับนักปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถอธิบายนามธรรมาได้แต่เราจะหารูปธรรม มายมเล็กนึกรูปธรรมว่าจิตว่างว่างมันไม่มีนิวรณ์เนี่ยไม่ที่มันมันที่มันเกิดอยู่ที่นี่แหละมันเป็นอย่างงี้ที่เคยพบมันผ่านเป็นอดีตมาแล้วถ้าจะอธิบายอีกแบบได้ไหมว่าขณะที่วรณ์มันอยู่ในจิตใจเนี่ยเหมือนกระยุงเข้ามุง้ง <c oughs> ใช่ไหมทีนี้เราก็ไล่ตกไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ลลออกไปจนกระทั่งดูแล้วไม่ไม่มียุงเหลืออยู่แล้วหลังจากนั้นเรารู้สึกเป็นไง นอนหลับสบายรู้สึกไว้าวางใจไม่วิตกกังวลใช่ไหมไม่คิดถึงยุงเลยนอนสบายจิตใจที่มันรู้สึกสบายเพราะไม่มียุงกวนเป็นยังไงก็นิวร์จิตใจไม่มีนิวรก็เป็นอย่างนั้นนี่เห็นภาพไหม αι? เออเ น, นี่ยเพราะฉะนั้นจะอธิบายที่เป็นนามธรรมนะให้นึกถึงรูปประธรรมไว้ก่อนแต่ถ้าหากว่าเราจิตใจไม่สัมผัส นามาทำสภาวะจริงๆแล้วก็นึกภาพของรูปธรรมไม่ออกเหมือนกันเพราะไม่รู้จะเปรียบอะไรดีเพราะจิตของเรามันไม่ใสพอที่จะนึกภาพเหล่า น, นี้ออกนะหรือเราเข้าไปในห้องที่เหม็น up. อับอะห้องที่เอ่ามันอากาศไม่ระบายอ่ะนะอากาศไม่ระบายปิดหน้าต่างแนละ้วประตูหมดเราเข้าไปรู้สึกอกับอ้าวอยู่ไม่ได้แต่เราต้องอยู่ประการแรกเราจะทํำไง เปิดหน้าต่างใช่ไหมเปิดหน้าต่างให้อารมบายแล้วเปิดพัดลมไล่เอากัดอับอ้าออกไปสักพักอารู้สิกสบายสดชื่นชันใดก็ดีจิตของเราที่มีนิวรณ์ต่างๆอยู่เนี่ยมันเหมือนกับห้องที่มันปิดมิดชิดที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับแล้วก็อับอ้าวพอเราเข้าไปแล้วก็เปิดเปิดประตูหน้าต่างออกหมายถึงว่งเาเปิดเอาตัวความไม่โปร่งใสไม่ เนี่ยถ้ามันไหลออกไปเอาตัวรู้สึกตัวตามรู้ตามรู้ตัวมันเปิดหน้าต่างเข้าไปความรู้สึกชดชื่นแจ่มใสในความรู้สึกที่เป็นสติสมาธิปัญญาเข้าไปแทนความอับอ้าวอัดเองรึ้นช่องอย่าไปอยากเปิดหน้าต่างใจทําใจให้สบายปลอดโปร่งจิตของเราที่ไม่มีวุ่นก็ฉันนั้นเหมือนกันคล้ายๆอย่างนั้นจิตปลอดโปร่งเบาสบายเพราะนั้นก็ต้องออก ปัญหาคุณเล็กข้อพิเศษถ้าหากว่าเราล้างแก้วสะอาดแก้วที่ล้างสะอาดเก็บไว้เฉยๆโดยที่ไม่เอามาใช้เนี่ยที่เราล้างวันนี้เพื่อจะใช้่ชไหมแต่แล้วเราเก็บใส่ตู้ไว้เฉยๆโดยไม่ใช้ในแก้วไปนั้นจะเกิดประโยชน์ไหมตักน้ํามาใช้อะไรงต่างเอามาใช้ได้ใจที่มันว่างจากนิวร์แล้วก็เป็นใจที่ควรแก่การงาน เขาเรียกว่าปริสุโทโตสมาหิโตสมาหิโตปริสุโธกรรมนิโยจิตที่ว่างจากนิวรรภ์เราเป็นจิตที่ควรแก่การงานเป็นกรรมนิโยที่นี่การงานของกรรมฐานการงานของวิปัสนาาตัวนี้สําคัญนะจังให้ดีนะการงานของสมถะคืออะไรการงานของวิปัสนาคืออะไรการงานของจิตที่กําลังอยู่ในสมถะคืออะไร การงานของวิพัฒนาคืออะไรละทีนี้สําหรับพวกเราก่อนจะเลิกวันนี้จะให้การบ้านไปพิจารณาว่าเมื่อเรารู้ต้นตอว่ารู้ความเาบื่อหน่ายความง่วงเหงาเขานอนความฟุ้งซ่านความอึดอัดกัดเคืองมีต้นตอมาจากความเผลอและความมิดมีต้นเหตเุมาจากความเผลอและความเพลิน และมีเหตุต้นมาจากความไม่รู้เท่าทันความสุขที่เกิดกับกายความผูกที่เกิดกับกายอันนี้ได้รับการตอบเฉลยแล้วนะทุกคนเข้าใจนะทีนี้ในสิ่งที่จะต้องพิจารณาหาคำตอบต่อไปก็คือว่าในช่วงที่เรา ขยับขยื่นเคลื่อนไหวแต่ละขณนะอันนี้ฟังให้ดีนะในช่วงที่เราขยับขับเคลื่อนขับเคลนขึ้นเคลื่อ น, นไหวไปแต่ละขณนะไม่ว่าทางอา่อาอ ว, วะส่วนไหนก็ตามของร่างกายเนี่ยพอถ้าเราจะไปรู้เรื่องอื่นมันไปได้ไวมากแต่กับที่จะมาสนใจการที่จะมาสนใจราย ล, ายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นในตนเองเนี่ยอันเกิดจากการเคลื่อนไหวของกายเนี่ย เข้าไปดูแต่ว่าไม่ได้เพ่งนะแต่เข้าไปดูให้มากที่สุดตั้งแต่นี้ไปจนถึงทำไมรู้สึกว่านอนหลับเราค่อนข้างมันตื่นหลับยากจะทำไงอมาก็บอกว่าคุณอย่าไปคิดว่าคุณหลับสี่คุณคิดว่านอนนี่จะทำเจริญอานาปณส ต, ติตามรูมลมตามรลมหายใจเข้าออกอย่างสบายสบาย หลับแล้วก็แล้วไปถ้าไม่หลับฉันก็จะทำมันทั้งคืนอย่างนี้แหละรู่ตัวเองหน่อย <c oughs> ถ้าแกไม่ยอมหลับฉันก็จะทำวิปัสนาอานาปณะสถิทั้งคืนเลยจะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะตามไปนี่วิธีการนะยมยจุม่มทำได้ไหมรอนไปทำดูนะ <c oughs> เอาไม่ต้องพลิกดูลมหายใจไม่ต้องพลิกดูเฉยๆถ้าพี่ใช้พี่ขวาไม่จะตื่นมากไปดูลมนิ่งๆสบายๆ พิคก็พิคน้อยดูให้สบายนะอย่าไปตั้งใจดูถ้าตั้งใจดูก็สแสดงว่าไม่ถูกจะดูให้สบายเพราะเหตุไรนคนเราจึงไม่อยากจะรู้ในรายละเอียดของตัวเองมากนักข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะทําอย่างไรที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆความรู้สึกต่างๆแต่งหัวจุดเท้าได้ตลอดเวลาตั้งแต่ที่ไปถึงนอนและตื่นนอนแล้วก็ดูต่อไปอีก ให้พยายามที่ตามดูให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยดูว่าเราทําได้แค่ไหนถ้าคนไหนบอกรายละเอียดไม่ถึงที่ไม่ถึงยี่สบเอร์เซ็นของทั้งหมดต้องสอบใหม่ต้องอยงน้อยต้องให้ได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปบอกรายละเอียดทั้งหมดก็ถือว่าจเท้าเนี่ยเรามาจะรู้เองว่าที่เล่าไปเนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่นี่ไปถึงตื่นไปถึงนอนแล้วตื่นนอนก็ดูต่อไปอีก จะไปถึงเวลาที่มาไปถามมันแหละถ้ามังเอิญมางคนดูไปดูมาเกิดบรรลุทําก่อนก็โอเคเจ้ากันไป <c oughs> คนนั้นไม่ต้องตอบ <c oughs> ไมแน่นะั้นดูไปดูมามันเกิดโล่งขึ้นมาแล้วโอเคจบเลยคําถามอีกรอบหนึ่งเพราะเหตุใดคนเราส่วนมากที่สุดจึงไม่ต้องการที่จะรู้รายละเอียดในชีวิตของตนเองแต่ชอบไปรู้รายละเอียดสิ่งภายนอก จะทำอย่างไรที่เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดของชีวิตเราตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยเอาส่วนกายก็พอใจยังไม่ต้องลงลึกเพราะว่าใจมันละเอียดขึ้นไปไปดูส่วนกายให้จะทำอย่างไรจึงสามารถที่จะเข้าดูรายละเอียดต่างๆของกายให้ได้มามากที่สุดและนานที่สุดเท่าที่จะนานได้จะทำอย่างไรลองไปทำมาดู แล้วกพรุ่นี้ก็ออกมาก็าจะไปฟังรายละเอียดยากไปไหมสองข้อเนี่ย <Yeah, yeah. c oughs> อ่าลองไปทําดูนะเผื่อ ว, ว่าทําได้อันนั้นเป็นข้อสอบพิเศษของคุณเล็กคุณไม่ต้องไปตอบอันนั้น <c oughs> อันนี้ก็ข้อสอบของคนที่ผ่านนิวรนแล้วเมื่อจิตสงบจากนิวรนแล้วนี่สงบจากนิวรนแต่ละตัวเนี่ยจิตเป็นอย่างไรอย่างไรไปสังเกตดู